ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจชำรวมจิตใจของตนให้ดีใจตวงเดียวเท่านี้แหละสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดในอวัยวะร่างกายนี้เราไม่ฝึกใจนี้ให้ดีแล้ว ก็พ้นทุกไปไม่ได้เพราะผู้ที่สวยสุขสวยทุกก็คือจิตดตวงเดียวนี้เองถ้าจิตดตวงนี้ถอนออกจากครั่งนี้แล้วร่างกายนี้ไม่รู้อะไรเลยทุกคนก็รู้รู้ดีอยู่นี่ปเป็นงั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ถนุถนอมเอาจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบุญคุณความดีที่ตนทำมาอย่างไรก็นึกถึงประมวลมารวมมาสู่จิตใจนี้อย่าไปรวบรวมเอา เพื่อที่ไม่เป็นสารประโยชน์มาไว้ในจิตใจจิตที่ไม่ได้อบรมนั่นนะส่วนมากมันก็ไปรวบรวมเอาแต่เรื่องไม่เป็นสารประโยชน์นั่นแหละมาไว้ในจิตตรงนี้อย่งนั้นนะคนเรามันจึงเดือดร้อนวุ่นวาย พอเรื่องที่ไม่เป็นสารประโยชน์นั่นนะมันย่อมให้ความเดือดร้อนใจอืเช่นอย่างว่าเรื่องความผิดหวังอะไรอย่างนี้นะความผิดหวังนี่หมายความว่ามันมีทุกคนหนหะใครจะไม่ผิดหวังไม่มีอะไรโลกอันนี้ เกิดมาแล้วผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะั่นน่ะมันก็อยากกล่ําอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีวนวะ่นี่ยะแต่เราสเสวงหาเข้าของเงินทองไปบุญกุศลหนลังจนมันน้อยมันก็ไม่ร่ำรวยเท่าที่ต้องการ ทำอยัางไงอย่างไงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังผู้ใดไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของครรมในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีก็ย่อมเดือดร้อนนะถ้าผู้ที่รู้แจ้งในครรมในผลของครรมในอดีต ที่ด่วงมาแล้วมันเนื่องมาถึงในปัจจุวันนี้กรรมในอดีตอย่างนั้นปัจจุวันนี้เป็นเครื่องสอนให้รู้ถึงกรรมในอดีตเช่นตนตกทุกข์ได้ยากลำบากตั้งตัวไม่ได้โมนี่มันก็ขึ้นอยู่กับ บุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยไปการฝึกตนไม่ค่อยมีคนส่วนมากก็มีแต่กินๆินทานทานตามประเพณีไปเท่านั้นเองซึ่งจะประพฤติทำอย่างอื่นไม่ค่อยมีเช่นความอดความทนอดกั้นจากความโกรธความอิจฉา พยาบาทจ้องเวียนกันและกันอย่างนี้นะมันไม่ค่อยอดทนนะเหตดนมนุษย์เรามันจึงได้ทะเลาะวิวาทกันจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะว่าขาดขันติธรรมความอดทนอย่างหนึง่งขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่ความ ไม่ปรารถนาสุขต่อกันและกันต่างคนต่างก็เห็นแก่ตนหาความสุขให้แก่ตนไม่คิดจะเี่ยกผู้อื่นเลยอันอันจุดนี้แหละจุดหนึ่งที่ทำให้คนเรานั้นผิดหวังหรือร้อน ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ใครก็ไม่ขบห า, าสมาคมด้วยคนเห็นแก่ตัวแล้วตนก็อยู่โดดเดี่ยวก็ลำบากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้เข้าใจว่าตนกับคนอื่นนี่เกี่ยวเนื่องกันมาแต่อเนกษาติเราจะ เกิดคนเดียวแก่เจ็บตายคนเดียวไม่ได้เลยเจตันพระพุทธเจ้าจึงสอนอืมจึงสอนให้มีเมตตาอารีต่อกันและกันผู้ที่ยังไม่พ้นจากโอขะแอ่งแก่งกันดานในวตาสงสารนี่เมื่อกระจำเป็นต้องสังคมสมาคมกัน ชักชวนกันทําความดีละความชั่วอไม่ไม่ใช่ว่าทำโอเทตัวคนเดียวอย่างนี้แหละเมื่อปองรองสามัคคีกันพร้อมกันทําความดีพร้อมกันละความชั่วเช่นนี้แล้ว้ชีวิตนี้มันก็ก้าวหน้าไปได้เลย ทางคนก็ทําความดีใครคนนั้นก็ทําความดีเว้นความชั่วมันก็เลยสมาคมกันได้แบบนี้นะก็เลยมีทางยิ้มแย้มเชียมใสต่อกันและกันไม่อิจฉาลิษยาซึ่งกันและกันถ้าใครแสดงนิสัยใจคอไม่ค่อยดีจังต่างๆออกมาอย่างนี้ แล้วก็สังเกตไปเห็นว่าเขาแสดงอย่างนี้มาเป็นประจำก็าถือว่าเป็นนิสัยวาสนาของเขาเข า, าอบรมทนมาอย่างนั้นกิริยาอาการของกายวาจาเนะ่มันติดมาแต่ชาติก่อนห้นหลังมันละไม่ได้ เมื่อรู้อย่างนี้เราก็ให้อภัยกันออกูนี่มันเคยมีนิสัยมาอย่างนี้เช็นนิสัยหยาบอย่างนี้นะนิสัยโลเลบล่นอะไรก็แล้วแต่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเราก็ให้อภัยกันไปเมื่อเขาปฏิบัติธรรมเข้าไปหากว่า เขาเกิดความรู้ทำเห็นทำขึ้นมาเขาก็จะบรรเทากิเลสอันชนิดที่ทำให้มีความบวิหยาบคลายต่างๆวันนั้นลงถ้าเขายังรกักกิเลสอันนั้นไม่ได้มันก็ต้องแสดงบทบาทอย่างนั้นจะไป <c oughs> เมื่อต่างคนต่างรู้ กรรมวิบากของการกันอย่างนี้แล้วก็ผ่อนผันหากันไม่เถือสากันอย่างนี้นะมันก็อยู่กันได้คนเราน่ะมันเป็นงั้นถ้าไม่ผ่อนผันหากันอย่างนั้นแน่นอนนะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยออืพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้คนเรานั้นมี พร้อมสมัครสมานสามัคคีกันมันถึงมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมีกำลังใจในอันละกิเลสตัณหาถ้ามีแต่ตัวคนเดียวมันก็เหงาแย่สีนในโลกอันเนี้ยต้องคิดดูอ่ะดังนั้น คนเกิดมาในโลกนี้เราจะให้เป็นผู้มีนิสัยกรงกันกับตนทั้งหมดจึงจะสบายใจได้อย่างนี้ไม่มีหาไม่พบหรอกไปที่ไหนก็ตามคนต่ า, างคนต่างทำมาสร้างมามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องผ่อน ท่านผ่อนยาวหากันอยู่ด้วยกันให้อภัยต่อกันได้กันไปให้นึกเสียว่าคนนั้นชั่วมันก็นเรื่องของคนนั้นเราไม่ชั่วกับเรื่องของเรามันมันก็เป็นความดีอยู่แล้วเราไม่ชั่วไอ้เขา เขาไม่ดีกับเรื่องของเขาเขาจะแบกเอาเรื่องไม่ดีนั้นไปก็แล้วแต่เขาเขายังไม่เห็นโทษอืมดังนั้นอันต้องทําความเห็นอย่างนี้ขึ้นในใจถ้ามีความเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าอยู่กันไปได้อืม เพราะคนเราไม่ใช่ดุรายอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆถึงกิเลสมีก็ดีเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ถือสาหาความแล้วมันก็หลังงับไปมันก็เลี้ยวไปมันเป็นอย่างนั้นค อ, อยอ้พาการเข้าใจการที่การปฏิบททัตนะิธรรมเนี่ย ว, ว่า ประพฤติเป็นธรรมต่อกันและกันประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อกันและกันถึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติถูกทางแล้วไม่มีอการทะเลาะวิวาทกันอยู่ด้วยกันจะลายประเนีก็ตามคุณก็ไม่ ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันเพราะว่าต่างคนต่างสำรวมจิตของตนอยู่เสมอไปแล้วต่างคนต่างก็เป็นนักเสียสละเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมนี่นะเอ้ามันจะผิดฝังตนบ้าง ไม่สมหวังทนบ้างก็ยอมก็ขอให้ประโยชน์ส่วนรวมมันเป็นไปแล้วก็ดีแล้วอย่างนี้เราจึงเรียกว่าผู้ไม่เห็นแก่ตัวผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พุทธศาสนา พระ อ, องค์ก็ทรงมุ่งหวังอย่างว่านี้เองเนี่ยไม่เช่นนั้นแล้วพุทธศัจสนาของพระ อ, องค์ก็จะตั้งอย่างยืนอยู่ไม่ได้เลยหากว่าพระสงฆ์สามเณรอยู่ร่วมกันกับทะเลาะวิวาทกันสาวบ้านอยู่ร่วมกันกับทะเลาะวิวาทกัน ไม่มีปองรองกันได้อย่างนี้นะอะวัดว่าอารามก็ร่างตัางคนต่างก็หนีเพราะว่าเบื่อหน่ายไม่ปองรองกันทําความปองรองกันไม่ได้วัดวมันก็ร่างเท่านั้นเองคุษษณศาสนาก็เสื่อมโทรม อ, อย่างนี้แหละขอให้เข้าใจ นี่อย่าเข้าใจว่เาเป็นคุณธรรมขั้นต่ำๆนะเป็นคุณธรรมขั้นสูงเกิดที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่เสมอว่าถ้าผู้ใดเจริญไตรรักษน์ญาณให้บังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วรักษาญาณสามประการนี้ไว้ให้ได้ เสมอไปแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรอ่ะอเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องทะเลวิวากันไม่มีเลยเพราะ่างคนก็มองเห็นทุกสิ่งก็เป็นสาภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครนับแต่ร่างกายนี้ออกไป ก็ว่ามันเห็นอยู่อย่างนี้นะแล้วมันจะไปโลภโมโทสันอะไรกับใครอย่างจะไปหลงไปเมาอะไรในสิ่งที่ควรหลงก็ไม่หลงละ่ะเมื่อมันไตรลักษณ์นิยานปรากฏอย่างนี้แล้วพขมองเห็นทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็แพรฟฟ่พวนแตกดับไป ไม่อยู่ในบังคับปัญชาของผู้ใดก็มันเห็นอยู่อย่างนี้แนละ้วมันจะไม่ถืออะไรแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ถือมั่นนะก็ถือไว้ได้เป็นทุกข์เปล่าเป่าถือไปได้ก็ไม่ได้สมหวังเช่นอย่างว่าถือมั่นในร่างกายอย่างนี้นะหวงแห็นร่างกายอยู่นี่นะเมื่อเวลาแปรปวนไปมันก็เป็นทุกข์เราแบบนี้นะ ร้วมันจะแตกกระดับยิงเป็นทุกข์หลายเนี่ยความถือมัน่นก็สำคัญว่ามีตัวมีตนนะมันก็มีแต่ทุกข์นี่ดังนั้นต้งพากันเจริญอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเสมอๆยืนเดินนั่งนอนก็อย่าลืม อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี่เหมือนกันหมดเลยเมื่อรู้แจ้งไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถือมั่นอะไระก็เพียงแต่อาศัย ของไม่เที่ยงนี่อยู่เพราะว่าจิตยังไม่มีมุตดหลุดพ้นจากโลกอันนี้มันก็ต้องอาศัยโลกอันนี้อยู่อาศัยสมมุติบรญญัติเนี่ยไปแต่ว่าเราอาศัยสมมติในทางที่ดีสมมติในทางที่เป็นปุญนกุศลประโยชน์ตนและผู้อื่นสมมุติอันใดมันนำทุกข์นำโทษมาให้กัต น, นและผู้อื่นแล้วไม่เอา ไม่อาศัยอืก็ต้องรู้จักเลือกสมมุติอ่ะถึงเรายังไม่พ้นจากสมมุติก็เลือกเมื่อรู้จักเลือกอนี้่เลือกเอาในสมมุติที่ดีแล้วมันก็บันเทาทางทุกข์ได้มักจะมีความสุขมากกว่าทุกข์แบบนี้นะอืมันเป็นอย่างเดิมเหมันนนะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ดีชั่วก็ดีล้วน จ, จะเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเนื่อมไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเพราะอะไรเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเช่นร่างกายนี่ เกิดมาแล้วใครก็ไม่อยากให้มันเจ็บมันป่วยไม่อยากให้มีโรคภัยมาเบียดเบียน ร, ร่างกายแต่ก็ไม่ฟังอืมไม่มากก็น้อยแหละคนหนึ่งหนึ่งหรือว่าพูดรวบรลัดว่าคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยก็ไม่ตายอืมอย่างเนี้ยที่มันตายก็เพราะมันเจ็บป่วยร่างกายมันชารุดแก้ไม่ได้ มันถึงได้ตายอย่างนี้เนะี่ยดังนั้นนะทุกคนต้องพิจารณาให้ถึงความจริงเหล่านี้เมื่อถึงความจริงเหล่านี้อนิจจังทกขังอนัตตาปรากฏอยู่ในใจเสมอเสมออย่างนี้มันก็สบายมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรกระทกกระทั่งมา มันก็ไม่ลหลงไหลยินดีไาลไปกับเรื่องต่างๆที่กระทบกระทั่งมาผิษหวังอะไรลงไปกับปล่อยวางทิ้งไปเห็นมีร่างกายได้ม า, าความต้อ ง, างกอารขยกไม่ให้ไม่อยากมีโรคมีภัยอะไรมาเบียดเบียนแต่มันก็ไม่สมหวังเพราะว่า กรรมมัดจรูปรูปนี้กรรมตกแต่งจนได้ทากรรมไม่ดีมาแต่ก่อนกรรมไม่ดีอันนั้นมันก็ติดถอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นจะบังคับไม่ได้เลยมีบาพิจารณารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะมันก็บรรเทาทุกทางจิตใจได้ เม้ร่างกายนี่มันจะทุดโทรมโรคภัยจะเบียดเบียนอย่างรุนแรงเราเบียดเบียนไปก็เมื่อตนได้ทำไม่ดีมาแต่ก่อนมันก็ร่วงมาแล้วนี่จะไปแก้ไขยังไงมันก็ไม่ได้หรอกก็ต้องคิดอย่างนี้ก็มันร่วงมาแล้วก็แล้วไปเราก็ก้มหน้าสวยผลแห่งกรรมมันนั้นไป จนกลัวมันจะหมดสิ้นแต่ถ้าเราภาวนาทําใจเข้มแข็งยกใจสูงขึ้นต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยกใจสูงขึ้นต่อศีลต่อธรรมที่ตนได้ประพฤติมาเช่นนี้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็บริเทาลงไปอันความทุกข์ทางกายนี่ มันบังคับไม่ได้เลยจะบังคับมาให้มันสำลุดซุดโสมกรมวลกวะไว้ก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันจิตที่ฝึกผลดีแล้วก็ย่อมกำหนดรู้ตามนั้นกำหนดรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงเหล่านั้นไป อย่างนี้นะความทุกข์ทางใจมันก็บรรเทาลงแม้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาราหาันตาสาวกทั้งหลายก็ดีไม่ใช่ว่าพราะองค์ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เหล่านี้ต้องได้สัมผัสทุกโลปทุกนามถึงแม้ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไป ก็หมดทิ้นเสร็จจากกิตใจทางหา่างนี้ส่วนร่างกายนี่มันเป็นผลของกรรมที่ทำมาแต่ก่อนต้องแยกแงะกันดูอย่างนี้ส่วนจิตใจนี่เมื่อสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าไปแล้วอย่างนี้ถึงวันมันจะมีกรรมวิบาก ท, ที่ได้ทำมาแต่ก่อนตามมาสนอง มันก็ไม่ย่อท้อืผู้มีบุญบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นเลยเอา้ามันเป็นทุกข์ก็เอาทุกข์เป็นอารมณ์เลยมันเจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นความเจ็บนี่เป็นของเราหรือเป็นหรือไม่ใช่เนี่ยจะต้องถามตัวเองมันก็ต้องตอบตัวเองได้เลยนะ ว, ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ของเราความเจ็บทั้งฐานแปรปรวนท่างหากถ้าหากว่าเห็นถูกนะรู้ถูกรู้จริงตามสภาพก็เป็นจริงก็ต้องตอบตัวเองอย่างนี้แหละความจริงก็มีเป็นอย่างนั้นอย่างจริงอืมก็มันไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่ว่าเราหากสร้างมันขึ้นมา เนื่องจากไม่รู้แจ้งมันมาแต่ก่อนอนู้นเมื่อไม่รู้แจ้งแล้วก็คำดีกระทำคำชัว่วกระทําอย่างนี้นะคำดีกคำชันะ่นั้นมันก็เลยติดซ้อนห้อยตามมาได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นอันนี้อย่าไปลืมพิจารณาให้มันชัดๆในใจเลยถ้าใครไม่พิจารณาอย่างนี้นี่มันจะทุกข์ใจหลาย เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วก็ห่างไกลจากความบนทุกด้วยมัวแต่กลัวทุกอยู่ไม่กล้าเผชิญกับทุกอย่างนี้นะมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่กิตใจนั้นนะถ้าว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นะรู้ทัดว่า ร่างกายอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ม, มันไม่ใช่ของเราจริงจังอะไรบุญกรรมตกแต่งธาตุของมารดาบิดาให้และจิตวิญญาณตรงนี้คือจึงไปอาศัยได้เวลาแล้วก็คลอดออกมาเป็นผู้เป็นคนมา เมื่อเป็นคนมาแล้วบวะ น, นี่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําความเพียรเพ่งพินิจดูเลยแยกกันไม่ออกสําคัญว่ากายกับใจก็อันเดียวกันเมื่อกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยอืมความหลงอ่ะมือนเป็นอย่างนั้นดังนั้น เขาก็ตดเจา้าจึงเลยสงสอนในภาวนาเพ่งจิตให้สงบเป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็จึงมาเพ่งดูร่างกายนี่ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงมันจะเกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อหน่ายว่าจนมาอาศัยอยู่ในของไม่เพียง ร่างกายอันนี้เนะี่ยไม่เทีย่ยงมายั่งยืนนะฉะนันหนอตนอยากค้นจากความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมันต้องนำลิคนราถ้ามันเห็นทุกข์ในทังขน ร, ร่างกายอันนี้จริงๆแล้วนะมันก็อยากพ้นนะอยากพ้นจากธาตุดีขันธ์หน้านี่ไป เขาคืนอาศัยธาตุสี่กัหน้านี่อยู่ตราบใดแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละไปเบื้องหน้าก็เหมือนปัจจุบันถาาจิตนี่ยังได้ไปอาศัยธาตุสี่กันหน้าอยู่แล้วมันก็ผิดหวังอยู่อย่างนั้นแหละชาติแล้วก็ชาติเล่าความหวังของจิตใจหวังว่าจะให้ร่างกายอันนี้อยู่ยั่งยืนนานจะได้อาศัยไป โน้มนานกาลีอย่างนี้นะมันก็อาศัยไปนานไม่ได้มันก็มีแต่ทางแปรปวนแตกดับไปเท่านั้นเองนะดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันทําความเพียรอย่าไปท้อถอยจิตมันจะรู้แจ้งมันจะปรงจะวางธาตุปีกันหน้านี้ได้ก็เพราะมัน มาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เฉมแช่งอยู่ในใจเสมอเสมอไปม่ให้ขาดเป็นตอนอให้รู้อยู่นั้นตลอดไปอย่างนี้นะนี่แหละมันจะเป็นเครื่องบรรเทาทุกทางใจโดยแท้จริงดังสแสดงมาพอสั่งเมามาแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเก่านั่นแหละ เพราะกิเลสมันตัวเกา่าไม่ใช่ตัวใหม่ของเก่านั่นแหละอย่างนี้พี่นาดูให้ดีอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นคนเราถ้ากุ้มกุ้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าไปสูบกัญชาหรือสูบพินแล้วก็หายกุ้มเพราะว่า เอ้เข้าใจอย่างนั้นเป็นอันเข้าใจผิดไปมันไม่ไม่หายหรอกมันไม่หายดูคนบางคนน่ะเมาเล่าอยู่แล้ววันนี้ก็บเลือเฟื้นเอาเรื่องทุกเรื่องโศกที่ตนได้ประสบมาเรื่องผิดหวังอะไรหมดนั่งขึ้นมาพูดจ อ, อย่างนั้นแหละผีไล่ลำพันอยู่ยงั่นแหละ มันมันจริงว่ามันไม่จริงเรื่องมูลนีน่นะผู้มีปัญญาแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่บริโภคละของเสพติดให้โทษต่างๆคนละเว้นใดแม้แต่บุรี่นี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษไม่ใช่น้อยไม่ไม่ไม่ด้อยไปกว่าสุรายาเมาต่างๆนั้นนะให้โทษทางตับทางปอด มันทำให้ตับปอดเสื่อมคุณภาพไปเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่ภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังไม่ปรากฏเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้ให้พี่นา ด, ดูโน่นเมื่ออยู่ไปนานปีนานเดือนไปภู ม, มิออมคุ้มกันมันอ่อนแอลงเมื่อใดแล้ว ฤทธิ์ของหมื่นเมาทศสามนี้มันจะย่ำยีเอาอาวัยวะภายในให้เสื่อมสมรรถภาพลงเช่นเป็นโรคตับเป็นโรคปอดเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้เหล่าลนี้เป็นตน้นเมื่อบุคคลเป็นโรคเกี่ยวกับอายุอวัยวะภายในอย่างนี้แล้ว ยากที่จะหายได้เพราะว่าเป็นอวัยวะส่วนละเอียดดังนั้นเนี่ยทุกคนเมื่อรักตนจำานงหมายต่อความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีกับของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านั้น ควรพากันยกเลิกไปเลยรักชีวิตอันนี้ดีกว่าไปรักของให้โทษเหล่านั้นรักชีวิตอันนี้แล้วเราก็บริโภคแต่สิ่งที่มันไม่ให้โทษต่อร่างกายนั่นแหละเว้นสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายอย่างนี้แล้วก็ร่างกายก็จะกระชุ่มกระชวย กินได้นอนหลับไปแล้วผู้ที่ประกอบความเพียรทางจิตใจก็ทำความเพียรได้เต็มที่คนมีโรคภัยเบียดเบียนแล้ว